จคุณพูกว่าให้พูดเองก็ไม่ค่อยรู้จะพูดอะไรนะคะตอนนี้นะคะไม่รู้จะพูดอะไรก็ใจว่างเปล่าเป็นสิ้นทุกแล้ว <c oughs> ก็เลยอาจจะต้องเรียนถามหลวงตา ว่าเถื่อโลตามีอะไรที่แ น, นะเลยคะ่ะไม่มีอะไรแล้วก็ใจมันไม่ไม่สังขานปรุงแต่งอะไรให้เป็นทุกข์ในปัจจุบันก็ไม่ทุกข์ความสุขที่แท้ จ, จริงคือความสงบสงบจากความปรุงแต่งวุ่นวายไม่ใช่ไปปรุงแต่งให้มันมันพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์มันคือสงบจากความปรุงแต่งไม่ใช่ปรุงแต่งวุ่นวายทํำให้มันเพื่อจะให้พ้นทุกข์ หลายคนพยายามปรุงแต่งพุ่วายกับการปรุงแต่งพยายามปรุงแต่งมันฟุ้งทุกข์แต่ความฟุ้ทุกข์คือมันสิ้นความปรุงแต่งเราต้องมีสติปัญญาที่รู้ตัวทันความหลงปรุงแต่งมันถึงจะพุทุกข์ได้นั่นเองคือสติปัญญาเลิศที่สุดแล้วคือสิ้นหลงปรุงแต่งมันถึงจะฟุ้ทุกข์ได้แต่เรายังปรุงแต่งมันก็ยังทุกข์อ่ะอนิจจาวตสังฆาลาเวลาไปงานไปงานศพเวลาเขา ชผ้าบางสกุลเนี่ยก็จะผ้าบางสกุลมาพาดงานศพไปพาที่บนศพแล้วพามาจากบ้าสักผ้าบางสกุลและผ้าท่านก็จะสวดว่อาอนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพวกท่านดูกันไว้ที่สุดอยากกอบโกยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นที่สุดก็นเนี่ยมานอนใน้ก็ทอดผ้านี่แยอานิจาวัตสังขาราอุปปาเดะวยาธรรมมีโนอุ ป, ปัตะวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วก็ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องดับไปเสียหมดสิน้นไม่อาจมีใครต้านทานได้เตสังวูปสะสโมสุโคผู้ใดระงับดับสังขารปรุงแต่งเจยได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่แนี่ยคือพันิานเัน ใจเราเนี่ยไม่สังขารพรุงแต่งดิ้นรนกระเสือกกระสนอะไรมันก็สงบแล้วไอ้ที่มันไม่สงบมันวุ่นวายมีความทุกข์ก็มันดิ้นรนกระเสือกกระสนดิดน้นรนกระจายคำว่าดิ้นรนทยานอยากคือตัณหานี่ตัณหาดิ้นรนทยานอยากในจิตใจกระเสือกกระสนดิ้นรนทยานอยากจิตใจมันก็เลยไม่สงบลมเย็นเพราะว่ามันมีแต่กิเลสตัณหาตัณหามีแต่กิเลสดิ้นรนกระเสือกกระสน มันมีแต่สังขารปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเรารู้เท่าทานความปรุงแต่งในใจของเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรของท่านไอ้ท่านปรุงแต่งนั่งอยู่เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องปรุงแต่งไปทำอะไรเพราะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ท่านไปทำงานเป็นเวลาที่ท่านหยุดการทำงานเวลานี้ แล้วเวลาน <c oughs> ี้เป็นเวลานี้ถ้าต้องหยุดปรุงแต่งต้องปลดกระเพี่อมทางใจด้วยท่านต้องหยุดที่จะปรุงแต่งไว้เพื่อจะเอาอะไรไปเป็นอะไรเพื่อจะให้มันไม่ได้อะไรไปถึงอะไรไปเป็นอะไรไม่งั้นก็จะมีกิเลสในทางธรรมอีกพอจะมีไปก็ปุงปรุงปรุปุงมากิเลสในทางโลกจะเอาจะเอาจะเอาพอเข้ามาในนี้มาฟังธรรมก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งจะเอาจะเอาจะเอานิพพานจะอานิพพานก็ปรุงแต่งจะเอาจะเอาเนี่ยมันก็เป็นกิเลสในทางธรรม สิ้นกิเลสโลกสิ้นกิเลสธรรมใจมันก็สงบความสงบไม่ได้ว่าโอ้ยต้องไปวัดไม่มีเวลาไปวัดงานยุ่งไม่ใช่อยู่ที่ไหนใจ ช, ชิ้นปรุงแต่งมีความสงบสุขได้หมดเลยดังนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนแก่คนเด็กคนเล็กคนหนุ่มคนสาวอยู่ที่ไหนอ่านใจตนเองให้ขาดสิ้นความปรุงแต่งดิ้นรนกระเสือกกระสน แค่นั้นแน่มันก็สงบแล้วมีความสงบลมเย็นแล้วแต่เวลาหน้าที่การงานจะเราเรียนเขียนอ่านแล้วก็อ่านไปดิมันก็สอบได้เองอไรง่ายนะทำงานแล้วก็ตั้งใจสังเกตสังการจดจำเรียนรู้หาความรู้เรียนรู้เพิ่มเติมอันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสอะไรไม่ได้เป็นความโลภที่จะเอาจะเอาจะเอาจะเอ า, จะเอาอะไรให้มันเป็นทุกข์แต่มันเป็นชีวิต อันนี้นเป็นชีวิตการทําหน้าที่ดีถูกต้องเนี่ยมันเป็นธรรมนะอมันเป็นธรรมเราเป็นนักเรียนเราบอกว่าไม่เอาเขาบอกว่าไปทําอะไรเดี๋ยวมันทุกข์อะไรเงี้ยเราก็ไม่อ่านหนังสืออันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่เป็นนักเรียนหน้าที่เออนักเรียนคืออะไรต้องอ่านหนังสือต้องเราเรียนเขียนอ่านอพอทํางานเราก็ต้องเอขาอจ้างเรามาได้เงินยิ่งในเดือนๆๆๆแพงเราก็ต้องทํางาน เป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่ต่อแม่ต่อพ่อแม่หน้าที่ต่อพ่อแม่มีพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมีหน้าที่ต่อลูกเป็นเจ้านายก็ต้องมีหน้าที่ต่อลูกน้องเป็นลูกน้องก็ต้องมีหน้าที่จอดต่อนายเป็นภรรยาก็ต้องมีหน้าที่ต่อเป็นสามีเป็นสามีก็ต้องมีหน้าที่ต่อภรรยาอันนี้มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกมัมีในคําสอนพระเจ้าสอนจากพระโอษฐ์เลยดังนั้นเนี่ยการทําหน้าที่ต้อเนี่ยเป็นคําสอนพระเจ้าจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจึงเป็นธรรมนะ การทำหน้าที่ที่ถูกต้องเนี่ยเป็นธรรมไปดูในพระไตรปิฎกแล้วว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อกันการทำหน้าที่ที่ถูกต้องต้องทำยังไงพระเจ้าสอนไม้หมดเลยอันนี้การทำหน้าที่ที่ถูกต้องจึงไม่ได้เป็นกิเลสเพราะว่ามีสอนในพระไตรปิฎกเลยสามีทำหน้าที่ที่ถูกต้องแต่ภรรยาไม่ได้เป็นกิเลสภรรยาทำหน้าที่ที่ต้องแต่สามีไม่ได้เป็นกิเลสนะไม่ใช่ว่าเป็นใทุกอย่างเป็นกิเลสหมด การทำหน้าท <elet> <designer> okay? nee? <sm> <forever> ี่ถูกต้องกลับเป็นธรรมนั้นพ่อแม่ทำหน้าที่ต่อลูกอย่างไรผู้เจ้าก็สอนไว้ลูกมื่มีหน้าที่ต้องพ่อแม่อย่างไงต้องก็สอนได้หมดเรียบร้อยลูกน้องต่อเจ้านายเจ้านายต่อลูกน้องมีสอนได้หมดอลยเพราะนั้นเนี่ยการทำหน้าที่ถูกต้องต่อกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสแต่การยึดถือให้กันไงให้เป็นทุกข์กันอันนี้เป็นกิเลสผู้เจ้าห้ามอันเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นทุกข์ การยึดถือการให้เป็นทุกข์อันนี้มันเป็นกิเลสแต่การนำหน้าที่ที่ถูกต้องต่อกันไม่ได้เป็นกิเลสเป็นธรรมต้องแยกให้ออกนะระหว่างความยึดถือจะเป็นทุกข์กับการทำหน้าที่ที่ดีต่อกันมีเมตตาต่อการปรารถนาดีต่อกันเราก็ปรารถนาให้ตัวเราพ้นทุกข์ก็ปรารถนาให้คู่ของได้พ้นทุกข์อันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสอะไรความรักที่ปรารถนาพ้นทุกข์ยึดถือก็เป็นทุกข์กันเองยึดถือมันเป็นทุกข์ เอ๊เอ่ก็หูก็ยึดนใจเราเนี่ยมันเกาะเกี่ยวพัวพันเขาอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยมันก็เป็นทุกข์เออไม่ใช่การทำหน้าที่เออไม่ใช่การทําหน้าที่สิเราอยู่ก็ทําหน้าที่เนี่ยวันนี้พอออกเขาออกไปเนี่ยก็คิดถึงแต่เขาเนี่ยก็ออกบ้านเนี่ยก็คิดถึงเขาอันนี้มันยึดพอเขาเข้ามาเออเราก็ทําหน้าที่ทีถูกต้องเขาเลืิกงานมาก็ทําหน้าที่ตัวแต่พอเขออกไปก็คิดถึงเขาเนี้ยมันยึด แม้แต่บ้านเนี่ยมาอยู่เนี่ยอยากจะกลับแต่บ้านคิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงบ้านอันนี้มันยึดมันยึดแต่เราอยู่บ้านแล้วก็ทําหน้าที่ดูแลทําความสะอาดแต่ไปแล้วก็ไปแต่ไปแล้วคิดถึงแต่บ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านนี่มันยึดดังนี้ตายแล้วก็ไปเป็นผีฝ้าบ้านไปเป็นติ๊กโจงติ๊กแย่เพราะอะไรมันยึดบ้านไว้่เรายึดอะไรไว้สิ่งนั้นก็มาอยู่ในใจเราแล้วก็ลากเราไปหาสิ่งนั้น มันดูที่ใจเราเนี่ยเรายึดอะไรอ่ะใจเราแล่นไปหาสิ่งนั้นบ่อยๆเนี่ยคือยึดถ้าเราใจเราไม่ไปแล่นหาสิ่งนั้นบ่อยอันนี้เรียกว่าไม่ยึดยึดแต่เราเกิดง่ายใจเราแล่นไปหาเขาบ่อยๆเป็นห่วงเขาเป็นกังวลเขาอันนี้ยึดยึดลูกยึดผัวยึดเมียยึดใจเราแล่นไปหาเขากังวลบ่อยๆเลยไปห่วงใยเป็นสารพัดอันนี้ยึดตายแล้วก็ไปเป็นลูกของเขาถ้าเขาไม่เขาไม่สามารถที่จะให้เป็นมีลูกได้ ถ้าเขามีลูกได้ตายแล้วเนี่ยเราเกิดเป็นลูกของเขาเลยเรายึดแน่นอนเลยอันนี้ยมีมีมีกล่าวไว้เยอะมีตัวอย่างไว้เยอะยึดลูกเนี่ยยึดหลานตะเป็นห่วงเขารักเขามากตายแล้วไปเกิดเป็นลูกของเขาเลยแล้วพ่อแม่เนี่ยกรรมจริงๆเวลารักลูกห่วงลูกเนี่ยแทนี่จะไปรักลูกห่วงลูกเนี่ยคนที่มันได้ดีมีสุขไปเกิดเป็นลูกมันก็ยังดีแต่พ่อแม่เนี่ยเวลารักลูกห่วงลูกรักลูกคนไหน ห่วงลูกคนไหนอ่ะห่วงลูกที่ช่วยตัวเองไม่ได้ที่มันแยก่กว่าเขาก็อะไรบอกทำไมไม่ไปอยู่กับลูกที่เขามีความสุขแล้วจะได้สบายไม่เอาเขามีความสุขความเจริญแล้วไม่ห่วงแล้วไม่ไปอยู่เขาเฉยเลยไปอยู่กับลูกที่มันลาบากกรรหของพ่อแม่อา้าวจริงไฮะลูกสิวันโอ้โหได้ดีมีสุขอะ มีครอบครัวที่ดีร่ํารวยมีสุขพ่อแม่ไปอยู่แล้วสบายเลยไม่ไปเขาเขามีความสุขแล้วแต่ห่วงไอ้ลูกที่มันยังช่วยตัวเองไม่ได้มันเกเรเจตุงเป็นห่วงหลานที่มันเกเรเจตุงไอ้หลานที่มันได้ดีมีสุขไม่ไปไม่ห่วงมันเลยไม่คิดถึงมันมาปฏิบัติธรรมเอาแต่นั่งร้องไห้ร้องไห้เราร้องไห้ทําไมอะหลานมันเกเรร้องไห้อะอย่างนี้มันก็ไปเกิดเป็นลูกของหลานนี่สเนี่ยแล้วก็ถ้าไปเกิดเป็นลุงเขาไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านในเขา เพาจริงๆอ่ะมีในในติจารก็มีพ่อเนี่ยมาเกิดเป็นหมาในบ้านพระพุทธเจ้าบิดาบา่านหน้าบ้านหมาเห่าผมจำพระพุทธเจ้าได้มันก็นทักทายเห่าแบบทักทายไงพระเจ้าไงก็เป็นคนดีมาเกิดเป็นหมาในบ้านลูกชายก็อะไรอยงั้ยเนี่ยอ้าลูกชายเลยว่าอาทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อเป็นหมาเกิดเป็นหมาเห็นไหมความห่วงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรายึดเนี่ยยึดก็ดูดีว่าห่างสิ่งนั้นเนี่ยใจมันไปแล้ว อทางสีนั้นน่ะจะเป็นไปหาเขาแล้วอันนั้นมันยึดอืมยึดอันนั้น น, นี่ยตายแล้วมันไปจริงๆริงไอันนั้นเน่ยมันไปแต่ตอนเป็นๆแล้วไปสร้างภพภูมิไว้มียายแก่คนนึ่งอ่ะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม่านคุณเรีโตพราแม่ครูอาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านก็ชอบภาวนาพุโทโธพุธโทโธแต่เป็นห่วงหลานสาวอยู่คนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วแต่ห่วงมันมันคงจะช่วยตัวเองไม่ค่อยรอดเป็นห่วงลูกก็มีไม่ไ ม, ไม่คิดถึงอ่ะคิดถึงหลาน หลานเป็นห่วงหลานปรากฏว่าหลานท้องหลานท้องตอนแรกท้องก็ไม่เป็นไรไม่รู้แต่ภาวนาไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอ๊ะเห็นจิตตัวเองสว่างวับเข้าไปในท้องหลานเฮ<อ>้ยนี่ยังไม่ตายทำไมจิตมันวิ่งเข้าไปในจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในท้องหลานเลยอ้าว ไ, ไอ้เด็กที่มันจะไปเกิดในท้องหลานนี่คือเราเองนี่ยมาเนี่ยคือเราเองอ่ะ เลยไปเล่เาให้หลวงปู่มั่นภูลยศโตฟังหลวงปู่มั่นเลยบอกว่าตัดให้ขาดนยเดี๋ยหะถ้าตัดไม่ขาดเดี๋ยจะไปเกิดเป็นลูกของหลานตัดให้ขาดก็เลยภาวนาผูพโตๆๆๆกระหนําแล้วก็ตัดขาดกระเด็นเลยไม่แล่นเอาไป้ได้เลยแทงเลยเพราะใจะขาดการเกาะเกี่ยวพัวพันธุ์แทงเพราะว่าวิาวญญาณที่จับจองไว้ไม่ไปเข้าเพราะไม่ไเข้าก็ตายเลย ไอ้แทงเด็กเรียนในคันกระแทงเพราะฉเนี่ยเราเนี่ยจะไปหาสิ่งใดสร้างภพภูมิไว้เนี่ยมันสร้างภพไปตั้งแต่ตอนเราไม่ตายแล้วไปจับจองไว้อ่คือเราไปหาสิ่งใดในกระจิตดั้นเนี่ยเดี๋ยวไปหานี่เดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนีน่พบที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะดับไปเรื่อยเลยขณะนี้เราชอบไปที่นี่พบที่กระดับไปตรงนี้พบที่กระดับพอไปไปพบใหม่ไอ้พบนี้กระดั บ, บ, ไ, ป บ, บ, ดบไปเกิดที่ใหม่เรื่อยไปที่เราไปในขณะปัจจุบันแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ฝึกจิตใจแล้วปล่อยให้มันไปตามยถากรรมอย่างเนี้ย อันตรายมากเลยเพราะอะไรมันจะเหมือนกับเป็นรูเล็ตเลยรูเล็ตหลายช่องรู้จักไมรูเล็ตอะดี๋ยวเร่อรูเล็ตที่มันมันมีหลายช่องอะอย่างนี้อันตรายมากเลยไอ้รูเล็ตช่องนี้ไปหาลูกรูเล็ตช่องนี้ไปหาหลานรูเล็ตช่องนี้กลับไปหาบ้านรูเล็ตช่องนี้กลับไปหาหมาที่เลี้ยงไว้รูเล็ตช่องนี้กลับไปหาอะไรมันจะมีอยู่ตลอดเลยเนี่ยตลอดเวลาเลยอันนั้นน่ละคือ พอเราขนาดจิตนี้ไปไปหาสิ่งนีพ้พบก็เกิดตรงนี้พบเตรียมแล้วแต่ตอนนี้พอเอยเรายังไม่ตายพอต่อมาเราไปตรงนี้อีกแล้วไปตรงนี้ไอ้ตุ้พบเก่าดับในจักใจเราไปสร้างพบใหม่เตรียมไว้อีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆนี่รู้เลยอันตรายมากเลยว่าเราจะไปพบไหนตัวเนี้ยพบไหนไอ้ที่เราจะไปอย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะไปอบายมีเยอะมากเลยตั้งแต่จิตใจไปตั้งแกายตั้รกเพราะอะไรมันไปตามยะถากรรมอัเนี้ยไม่ได้ไปตามที่ด้วย แรงบุญกุศลที่เราทําไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้พุทโธไม่อยู่แป๊ะไปละพุทโธพุทโธพุทโธไม่อยู่แป๊ะไปละอันเนี้เสร็จแน่สร้างพบไว้แน่นอนแล้วอันเนี้ยแทนที่จะพุทโธพุทโธจะไปกับพุทธเจ้านึกถึงพุทธเจ้าไว้ในใจไปหาท่านเออไปหาบุญกุศลที่เป็นบุญใหญ่พุทธเจ้าไม่มีหรอกแต่เป็นบุญใหญ่นึกถึงพระองค์ไว้ในใจเลยกิเลสเข้าแทรกไม่ได้มารเข้าแทรกไม่ได้อะพระไว้ในใจตายแล้วก็ไปกับพระตัวนี้ก็สบายแล้วคือไม่นิพพานแต่ก็ไปสวรรค์ จะสูงเพราะว่าไปกับพระแล้วมัต้องฝึกไงฝึกไว้ว่าเปิดใจเรา่าพระเข้ามาไว้ในใจหรือว่าเอาเอากิเลสมารไว้ในใจเดี๋ยวพุโทโธพุทโธลูกพุโทโธพุทโธหลานพุโทโธพุทโธแฟนลูกพุโทโธพุทโธแฟนหลานพุโทโธพุทโธหมาที่บ้านเลี้ยงไว้พุโทโธพุโทโธแี่ยพุทโธพุทโธเฮ้ยมันพุโทโธไม่กี่คำอะมันมีแต่อย่างอื่นมาแทนพุโทโธหมดมันจะเหลืออะไรเนี่ยไม่เป็นพระลราเป็นมารตลอดเลยเนี่ย เป็นยะถากรรมมีแต่ความทุกข์แต่อย่างนี้มันมันไม่ต้องทำนายหล้มันดูตัวเองก็รู้ว่าไปไหนแล้วก็ท้านก็บอกว่าวดูเจ้าเนี่ยอามนุษย์ในร่างมนุษย์เนี่ยดูอามนุษย์ในร่างมนุษย์เนี่ยหนังในดังพรเจ้าหมหาศาสดาโลกให้ดูเนี่ยให้หมันสังเกตดูพิจาณเนี่ยอามนุษย์ในร่างมนุษย์แล้วก็ใ น, ในเอพวินัยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ ไห้พิจารณาเนี่ยไอ้คอยเห็นไอ้อามรรณุสในร่างมนุษย์เนี่ยเราผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเนี่ยให้ดูอ่ามนุษย์ในร่างมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีแค่กินขี้นอนหาอยู่หากินกินขี้นอนหาอยู่หากินอ๋อสัตว์เดรัจฉานก็ทําแบบเนี้ยกินขี้นอนหาอยู่หากินสัตว์เดรัจฉานก็ทําแค่นี้อ๋อก็ไม่ต่างจากอะไรเนี่ย มันแน่นอนแล้วไม่ต้องพูดแล้วตายไปก็ต้องไปสัตย์เดชาแน่นอนเราไม่แตกต่างแบบนี้แต่พอเออให้ทานรักษาศีลด้วยภาวนาด้วยอ่ะสัตย์เดชาทําไม่ได้เว้ยเอ้ยอย่างนี้แน่นอนมันต้องไม่เป็นสัตว์เดชานแล้วยังไงอย่างน้อยมันต้องไปสวรรค์อแต่ถ้ามันเลวกว่าสัตย์เดชานเองนอกจากกินขี้ น, นอนหาอยู่หากินแล้วสัตย์เดชานก็กินขี้ น, นอนแล้วก็ออกไปหาอยู่หากินหาอาหารไม่ลูกมันหาให้ตัวมัน เราก็เดี๋ยวก็กินขี้นอนแล้วก็ไปหาเงินทํางานหาเงินเราทำแค่เนี้ยก็ไม่ต่างจากสัตว์เดชานต้องไปไปเกิดเป็นสัตว์เดชานแต่ถ้าเราแย่กว่าสัตว์เดชานเองคือมีความโลภโมโทสารเข้าไปอีกมีความโกรธอัคคะแคบพยาบาทเข้าไปอีกแย่กว่าสัตว์เดชาน อ, อันนี้เราไปโน่นไปเป็นเปรเป็ น, ป น, ป น, ปนอสุรกายแต่ถ้าหนักเลยก็คือทำปีติปีติทำเลยมีความทุกข์อันนี้ก็ไปแล้วไปนรก มันดูในขณะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอามนุษย์หรือเป็นมนุษย์อามนุษย์อยู่ในร่างมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรอืแต่ทุกทุกขณะปัจจุบันเนี่นยใจมันเป็นพระเอออันี้เป็นพระในร่างมนุษย์เว้ยมันก็เป็นพระแล้วใจก็เป็นพระอันนั้นบวชแล้วอันนั้นบวชไม่เฉพบวชไม่ไถึงผมว่าเหลือกกนบวชคืออันนั้นเนี่ยมันบวชพระและว้วเพราะใจเป็นพระ